พวกมูเพื่อนทั้งหลายได้มากกับครวะผมตามประเพีนี่กบาบครวะพวกทัตทั้งหลายได้ประมาทพลาดพังผมโดยกายด้วยวาจาด้วยใจผมยึดเนีย่ยวหสิผมก็เช่นเดียวกันถ้าว่าได้ประมาทพลาดพังมูพวกเพื่อนด้วยก า, ายวาจาใจเขาขอให้พวกมู่หโหสิให้เช่นเดียวกันเพราะพวกเราอยู่รวมกันมันก็ต้องมีบั้งไม่มากก็ น, น้อยแต่ถึงอย่างไรพวกเขาอยูห่างไกลกันที่จะประมาทพลาดพังกัน มันก่อนนั่นทีเดียวสำหรับผมผมกะว่าบมมีเราไปกับหมู่กับเพื่อนจักจะประมาทไปเพื่ออย่างแล้วก็ศรัทธายาตโยมกันได้มากกบาบครวะ ต, ตามประเภทนี้การอ่อนน้อมทอมตนมันเป็นประเภทนี้อันดีงามของพระพุทธศาสนาไปยุนสถานที่ใดไปที่ใดก็ตามขั้นวงางจักอ่อนน้อมทอมตนนะทุกจิงทุกอย่างจะไปได้เรียบร้อยราบรื่น ถ้าว่าพวกห้องไปอยู่ใส่คึงย้งครึงย้งแข็งกระด้างโดยมากไม่แตมีแต่พิษแต่ไพ่เพราั่พระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าจึงให้สอนพวกเราให้มีสัมมาคารวะสัมมาคารวตาเนะพราะนั้นพวกท่านทั้งหลายได้ประมาทผมผมก็ยินเดียโหสิทุกอย่างที่ผ่นานมานะแล้วก็ขอให้พวกเราทุกท่านตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมนะอย่าทําอยู่ในความประมาท อ่างขมามิตุมเหิปิเมขมามิตับบังเอวังโหตุเอวังหตุโยจะปุเบปมัชิตตวาปัจสาโซนัปมัชสติโซมังโรกังประพาเสตีอภามุตโตวจันทิมมาอภิวาทนาสีริสานิจังบุต ธ, ธาปจายโนจัตตาโรโอธมมาวาทานติอายุวันโนสุขังภารัง เออเดี๋ยวหลวงพ่อจะบอกอยัางให้ฟังคณะสัทธาญาติโน้มลูกหลานหลวงพ่อเห็นมูพวกเพื่อนหลวงพ่อก็ได้ถามไทยว่าวัดใดพระจำมรนสามากหน่อยขนาดไหนหลวงพ่อได้ยินแล้วก็นี่แหละเป็นการกระจายกันอยู่ถ้าว่ามีวัดใดวัดหนึ่งกระจุกอยู่คณะสัทธาญาติโย้มลูกหลานกิทธิธรรมบุญบางคนของบ่มีภาฮานะการเดินทางของบอชัดวก ชางความพี่พะวัดเหล็กวัดหน่อยขยายไปในสีต่างๆหลวงพ่อเห็นด้วยมันลงไปเดี๋ยวมีบางองค์บางขณะเพ่นบอกว่าเป็นอย่างประยูปเป็นกระจุกเป็นอยู่เป็นจุดใหญ่เลยอ่มันจะบริหารง่ายแต่ตามไม่จริงเป็นความคิดแต่ว่าการกระทำออกไปนะหลวงพ่อว่าบม่ค่อยถูกเพราะเหตุใดอยังหลวงพ่อยุ ง, งออยสีและยูอำเภอนา ย, ยุ่งแล้วก็ยุทบ้านแถบพวกนี้นะ อยู่ห่างไกลไปหากิโลสิบกิโลเนี่ยซีมาถ้ำหมุนวัดตรงพอซีมาใดจังไหนมันไกลกว่าจะเดินมากหอดจะเดินมากกระบหอดขี่จักรยานมากอะลาบากแล้วก็รถกระบะมีโมเมนพี่น้องลูกหลานที่มีรถปิดอับสุก ข, ขู่ทุกคนโมเมนต์จังสันถ้าว่ามีวัดอยู่ในหมู่บ้านของเขาลูกหลานจากวัดขึ้นมาหน่อยๆมีพระจําพรรษาหาองคศิบองจังจี ครูบาอาจารย์คือได้รับการอบรมได้รับการศึกษาจากครูบาอาจารย์ไปแล้วก็ไปแนะนําสั่งสอนออกตนญาตโน้มไหวพระจังศีนเนอรับศีลจังศีนเนอคารวะจังศีนเนอร์ถวายทําบุญทําท่านจังศีนเนอน่อมคิด น, น่อมใจจังศีนเนอมันก็เป็นประโยชน์สําหรับคนในชุ่มชนนั้นเมื่อเข้าไปในชุมชนใหญ่กันมาร่วมกันแล้วเอไหวพระได้เฝ้าก็ถือกันได้ เพราะตดเพราะางคนก็ต้องได้รับการศึกษามาด้วยการเพราะคูบาอาจารย์ไปศึกษาไปบอกกล่าวไปแนะนําสั่งสอนลูกหลานพี่น้องประชาชนให้รู้จักจิตรู้จักธรรมแต่ทาว่ามีแต่วัดไงวัดเดียวว่ามีผู้ใดไปแนะนําสั่งสอนหลวงพ่อวาดมันบวทัวถึงเลยอ่าพนั้นของพ่อเออมูพกเพื่อนลูกหลานอยู่ตามวัดว่าผู้ผาปลาใหม่ที่สงบส ง, งัดที่แจง ปลาส่งปลาศาสตรีสาธารณะหรือผู้ผาปลาใหม่ เ, เห็ดวัดเล็กๆหน่อยๆอยู่แต่จะไปทำไรปลาหลงพงไพ่เขาจะให้มีเหลืองมีเลาเท่า น, นั้นและให้เข้าให้หูจักเยียมตัวเพราะเขาบดิมุงหวังเองียงเข้าบด้มุงหวังเอียงเข้ามุงหวังเพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมหาทางพ้นทุกข์ได้วัตตสงสารบมมาเวียนวายตายเกิดเท่านั้น เป็นจุดประสงค์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นจุดประสงค์ของเฮาพวกเฮาบริมมุ่งหวังหลับยศชนะเสริญเยื่อหย่อเอียงให้เขาชนะเสริญรได้ยัง้งมีหลับมียศระได้ยัง้งบาตายแระถิมกระดูกเจ้าของนะมันได้ยัง้งแต่ใ น, นเฮาคิดเบื้องให้ดีแล้วมันบ่มีแนวได้ซักอย่างเกิดมาในโลกเนี่ในทางว่าเฮาบอมุ่งหมันตอ่อศีลต่อถ้ำบอมุ่งหมันต่อมักต่อผลนิพพานเนี่มันบ่มีแนวจีได เออทางาว่าเข้ามุมมันตอมักผลนิพพานและเขาตั อ, อกตังใจประพฤติปฏิบัติจะทําอย่างไรเห้ถึงผนทุกในวัฏรสงสา ร, รโดยเร่งด่วนโดยรีบด่ ว, ด ว, ดวนจังสิ่นั่นแหละเป็นนาทีของพวกเข้าสําหรับพระลูกพรหลานพระนองพรนุง่งทุกขู่ทุกคนทุกองหน้าเออให้ตัง อ, อกตั้งใจประพฤติปฏิบัติอยู่วัดกระไดก็ตามให้เข า, บ า, ารบหัวหน้าครูบาอาจารย์อย่าไปแย่งกันเป็นใหญ่ ให้เคารพคู่บาอาจารย์ไว้ทว่าต่อไปไา่ภาคนาคานวาเข้าได้เรียนตามพอกอตามคู่แล้วเข้าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นบ้านัล้วนะเข้าจะออกไปประพฤติธปฏิบัติก็จะเกิดประโยชน์แต่โดยมากพระเน้นยุคนี่สมัยนี้พระหน่อยเน้นน ม, มทั้งหลายแลเ่เโดยมากเวลาอยู่กับคู่บายอาจารย์กับแซงหน้าแซงหลังเลยแซงหน้าแซงหลังแซงใส่สแซงขวา้าเป็นผู้อวดตัวแข่งคู่บาอาจารย์โดยในย ออกจากคู่บาอาจารย์ไปแล้วพ่ะย่ะที่เป็นตัวเป็นตาเป็นโลเป็นพ้ายก็ บ, บ่เป็ี่นเลยขั้นจะใจหายู่ทั้งแทกบ่เป็นจะเป็นไปได้เพราะเหตุไรบ่ได้ศึกษาให้ดีคานว่าศึกษาให้ดีแล้วค้นที่ศึกษาดีแล้วมีแต่อ่อนนอบพรอมตนเอหูจักสัมม า, าวะมืออยู่กับคู่บาอาจารย์ก็ว่างตัวอีกแบบนึงในเมื่อเขาเป็นหัวหนา้าเขาก็ว่างมาดอีกแบบนึง คานาวาออกมาเป็นหัวหนา้าเฮาสิเห็ดกอซออยู่มั่งกับบแมนอีกคันาวาอยู่กับคู่บาอาจารย์ที่พกอกไผ่ไหลผึ่งทําท่านั่นทําทานี่ในแท่าทานแงนาคูบาอาจารย์มั่นกับบอแมนอีกคือกัดเพราะนั่นสิงมูนิผมเคยเป็นพระผู้หน่อยมาแล้วผมจึงในนํามากแนะนําสั่งสอน ผ, า น, อผาน้องผานุพารุกพรหลา น, า น, า น, า น, านอยู่ใส่ให้ตัง้งอยู่ในความสงบจุดมุ่งหมายมุ่งหมั่นของเฮาก็คือรักษาศีลภาวนาจะทําอย่างไรจิตใจเฮาจึงจะพ้นทุกข์ในวัฏสงสาร ยูสายยาให้ญาติโยมหรือครูบาอาจารย์นักใจก็เเผาเฮ้เผวเป็นพระไปยูสายยาให้ครูบาอาจารย์นักใจเฮ้ญาติโมยมจะให้เขาเจ้านักใจให้เเผวขึ้นไปยูเสมอว่าเออสมัยก่อนเเผวบ่เคยบวชเเผวตำหนีพระพระเป็นจังสันพระเป็นจังสี่พระบ่มีกิริยามารยาทจังสันจังสี่เออการพูดการจ่าผ้าที่บ้นนาจะบอกจังสันจังสี่เฮ้เเผวตำหนีพระ แต่พ่อห้ามาบวชเองเนี่ยอากับกิริยาของเขาว่างตัวออกไปญาติโยมเขาเห็นโอ้พระเป็นอย่างยังเหตุยังสี่คันว่าเข้าเหตุยังก็ตามเข้าพูดยังก็ตามการกระทําของเขายังก็ตามถามเขาว่าสมัยทว่าเข้าเห็ดยังสี่เข้าเป็นคราวาเนี่ยคำนั้ผู้อื่นเป็นคราวาสเนี่ยเข้าถ้ำตัวแบบเขาเป็นพระเนี่เข้าทําตัวแบบนี้ทว่าเข้าเป็นคราวาเนี่ยเข้าสีกาบเจ้าของลงบอเนยให้ถาม ขั้นว่าถามเจ้าของบางแล้วเออขั้นเป็นแบบนี้อ๊กเข้าในกาบเจ้าของบ่ลงดอกไวขั้นเฮ็ดจังจีนนั่นแหละคือความบ่ ถ, ถูกต้องขอให้พวกข้าสำรวมระวังต้องมีกิเลยามารยาที่ดีมีสัมมาฆ ร, รวะ อ, อ, อาจาระเรื่องการโค่จยของข้าไปในทางที่ถูกต้องให้มีสีล่าจารวัตให้เป็นภูมมีสัมมาฆรวะให้มีสีล่าจรวัต ให้เคารพในศิษขาบทวินัยให้มีศีลมีธรรมข้าววัตปรยุทธในสก็ตามเป็นพระทธิมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีแหละชัท่าญาติโนบเขากว่าให้ความเคารพนับถือเหลื่อมใสแต่ว่าเข้าถําตัวบ่ดีแล้วเขากระํานิจฉินนิ่งท่าเข้าใดบางทีที่มันก็แมนความเขาอยู่ได้อบางครั้งบางข้าวมันก็เกินไปบางครั้งมันก็เกินไปถ้าว่าเกินเกินจังใดสมมติว่า สัทธาญาติโยมเลยบางคนลูกหลานเจ้าของนี่เหลือขอวันออกไปเอเหลือขอเหลือขอนี่คืออย่างขันแมงเสีเอาอยู่ฆลาวาดกับญาณมันไปข่าขู่ข่าข้นอย่างมันข่าพ่อข่าแม่ข่าลูกข่าเมียมันหายวันออกไปเออมันเอาบริยูเออพมผ้ากันจับมาบวชวันไปเออให้มันมาบวชพราะมันมาบวชแล้วมันมาเป็นพระบ้านมันบริยูในสีล่าจัลรหัตออกนอกลูนอกทั้ง เอาไปมาไปเฮ็ดพิษยังผวกเข้าเห็นในหนาหนังสือพิมพ์ในสื่อต่างๆอหรือบัไดออกข่าวก็ยังมีแต่เยอะแยะผมผ้ากันประนามบานี้พระเป็นจังสั่นผ้าเป็นยังสี่ผ้าเป็นยังเฮ็ดจังสั้นพระเป็นยังเฮ็ดจังสี่สสสสวันห่แต่ตามให้จริงหลวงพ่อว่าจะตํานี้จังสั้นทีเดียวบบถูกได้เ พ, พราะพระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้ า, าเพนสอนให้คนนี่ยเขามาบวชในพุทธศาสนาน่ะให้ตั้งตนเป็นคนดี ให้มีศีลธรรมเจดียธรรมผู้ใดประพฤติปฏิบัติตนดีถือว่าจัดว่าเป็นศากยบุตรพุทธชินนรสเป็นลูกของพระพุทธเจ้าทั้งที่พระพุทธเจ้าเป็นกระสัตรลูกตาสีตาสาตามีตามาเศร้าห้เศ้าหน้าเศร้าหัวเศร้าส่วนเพิ่นกับหาเป็นลูกของเพิ่นใดเพราะเหตุใดเพราะเฮาประพฤติปฏิบัติตีเป็นว่าสากยบุตรแต่ในเมื่อเฮาบวชเขามาเลยว่าทำตนบอดีออกนอกลูกนอกทางแน่วใดขลาวาดเขาบอเหตุตัวเองกัเหตุใดแหมจึงสีนะ่ละ มาเนี่พ่อถ้ำตัวพอดีเขาปะนามหรือว่าเขาไล่นีแล้วเขาจับซึกจนเสร็จก็พอมผ้ามากผ้ากันประนามพระพุทธศาสนาเป็นอย่างพระที่เหตุทังสัตวเป็นอยังย่งพระที่เหตุทังสี่ให้แต่บางคนก็ไม่น่านับถือไม่น่าเลื่อมใสพระปฏิบัติตนอย่างนี้ทําไมพระจึงทําตนอย่างนี้แต่พวกเข้าลืมถามว่าพระองค์นี่ที่เขามาบวชที่พุทธศาสนาเนี่ยนิสัยเขาดีบ่ แต่สมัยเป็นครวาญนิสัย ไ, ได้รับการศึกษาดีเป็นทีย่อมรับของพอ่อของแม่ของพีของน้องของวงสาขาหน้าญาติของชุ่มชนนันนๆเป็นคนดีแล้วขอมาบวชในพุทธศาสนารลอกับเป็นคนเดียวเอออ น, นินาตำหนิวัดว่าศาสนานาตำนิครูบาอาจารย์เพราะเหตุใดเพราะคนดีๆมาแล้วเสียหายบสังบอสอนบอแนนําทำให้พุทธศาสนาเนี่ยเป็นแรงเพาะบม่ม เออเป็นแรงบ่มบ้าห์อย่างที่หลวงปู่หลาบอกหลวงตามหาบัววอพวกท่านทั้งหลายมาอยู่ในพุทธศาสนาแล้วทำตนไม่ดีแสดงวันแรงในแรงบ่มตั้งที่จะบ่มคนให้เป็นคนดีวนไปกับบ่มข้นให้เป็นคน บ, บ่มบาห์วนไปบ่มบ้าห์คือซึ่งให้พี่บ้าเกิดในพระพุทธศาสนาเนี่ยลักษณะจังสัตว์ออเนธนฟ้าข้นดีมาแล้วเขามาน่ย ก, กับเป็นข้นชั่ว อันนี้นาตำหนิคู่บาอาจารย์แต่อันนี้มันชัวมาแล้วกบัณเนี่ยพ่อแม่กัอบอาบอยู่พี่น้องกัอบอาบอยู่จทำทานองที่ว่าเอเสื้อขาดฝาดเขววัดเสียมเหีนเยนเขววัดผีปอบหอบเขววัดลักษณะนั่นวันไปค้นชั่วร์หรอชับหยัดเขววัดคนไปมหาวัดเกิดขึ้นมาเนี่มันเสียหายบัณมาตำหนิวัดมาตำหนิพลาหลวงพ่อว่าเป็นบาปกรรมสําหรับผู้ที่ตําหนิเป็นอย่างบระทับ ม, มา พ้นผู้นี้นะสมัยเป็นฆรวาสมันกินยาบามันกินยาหมามันกินขั้นช่ายยาฟินมันกินเหล่าเนี่มันติดยาเสพจิตจนงอมแง้มจนล้มสลายบาร t าเขามาบวชมันกระบวชเพียงอาศัยผาเหลืองอยู่สือมันบริคัดเก่ากิเลสราคะโทษสะโมหะเขามาอาศัยผาเหลืองเมื่อบวชเขามาแล้วมันกระกบตัวมันบริเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจมันเพราะมันบ่มีศรัทธามันบ่มีทางไปสือมันยังคอยเขามาบวชในพระพุทธศาสนา เพรนันเมื่อเขามาบวชแล้วบันนี้กลับตนเป็นคนชั่วซาเสียหายในวงการพระพุทธศาสนาจะตําหนิใครอ่ะถามมนุบัณฑิตหลวงพ่อถามระบัณิพวกเราจะตําหนิใครจะตําหนิพระในวัดจะตําหนิสมภารหรือจะตําหนิใครไอ้ห้องพ่อตําหนิหลวงพ่อว่าตําหนิพ่อแม่พ่อแม่เป็นอย่างบ ก, กันกล่องให้ดีก่อนที่จะเอาลูกหลานเขามาบวชในพระพุทธศาสนา เออเป็นยังเอาข้นชัวสาเสียหายจริง่มากเขามาบวชในพุทธศาสนาเออยังเสมเหีย น, เ, นเข่นขวัดสาดขาดฟาดขาวัดเนี่ยเออหมอนขาดฟาดขาวัดเนี่ยผีปอบหอบขวัดเนี่ยเออไปเอาอคนบดีจับโยนขวัดมันก็เลยมัดเต็มอยู่ในวัดบารมีกับผมผ้ามาดกันมัดตานี้พระบดีทังสันพระบดีจริงๆมันออกมาจากสาบัต ขั้นว่าเอาพระรหันต์ขอม้าบวชเหมืลุงพอรับประกันลอยเปอร์เซ็นเลยแหละคืบอบดซัวเด็ดขาดขั้นออกพุทุชนคนหยาบหนาโดยกิเลสราคะโทษสะโมหเามา์เขาม้าบวชขาม้าบวชและบวรัดปอแปลงกายว่าจาใจของเจ้าของมาแลยก็ทาทามีกิเลสนี่ให้มูให้เพื่อนอวดอ้างว่างเขาเอากางหนากลางหลังบวชําระกายว่าจาใจของเจ้าของอันนั้นแปลว่าบวชเขามาแล้วมอเบิ้งเจ้าของ ถ้าบวบิงเจ้าของแบบนั้นบวชเขามาลอยปีก็เป็นพระบอดีลอยปีนะ่ะเพราะนั้นแนวจังสีนะนั่น น, น่นานล้มพอจะบอกให้พวกเข้าได้ฟังได้ศึกษาทั้งฝ่ายพระผู้บาอาจารย์ฝ่ายญาติฝ่ายโยมให้ฟังเอาไว้อันนี้ก็คือการประพฤติปฏิบัติแล้วก็สําหรับพวกเข้าที่เป็นครวญญาติโยมหรือเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าพระสงฆ์ก็อย่างที่ว่านั่นนะให้มู่เพื่อนลูกหลานทั้งหลายตางอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติ สำหรับชัดท่าหยาดง้มวัดว่าศาสนาในโมเมนตของผู้หนึ่งผู้ใดเลยพระพุทธเจ้าว่างศาสนาไว้ว่างไว้กับพุทธบริษัท4พุทธบริษัทสคือหยั่งอุบาสกขึ้คือโยมผู้ไส้อุบาสิกาก็คือโยมผู้ยิ่งภิกษุสัมมาเนนนี่เราพุทธบริษัทสีคันพุทธบริษัทสีเป็นคนมีคุณภาพมีคุณธรรมมีศรรมมีลธรรมมีจริยธรรมที่ดี เป็นญาติเป็นโง่มีศีลธรรมให้มีศีล ห, หายดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์เป็นศรณะเป็นที่พึงแล้วก็เสื้อฟัง่งพอแม่ครูบาอาจารย์เพิน่นแนะนําสั่งสอนยังไงให้ฟัง่งให้ศึกษ า, ายาใส่ชี้ทิมันะความแข็งกระด้างให้อ่อนน้อมทอมตนฟั่งเพิ่นเวชเพิ่นบวชยังไงมีเหตุมีผลบวชขันเพิ่นเวชมีเหตุมีผ ล, เ, เ, ล, เ, เ, ลเขาก็ต้องฟัง่งเขาก็ต้องศึกษาคันพระเขามีความของใหญ่สงสัยจุดใดเขาก็ต้องถามครูบาอาจารย์ เพราะว่าเพลินบวชมาเพลินในศึกษาธรรมะภาคปฏิบัติเพลินอยู่ในวัดว่ า, าศาสนาแต่ละหมื่นแต่ละเว้นเนี่พนกับรักษาศีลเพลินกับภาวนาของเพิินบำเพ็ญทั้งจา้านจิตด้ันใจของเพลินเข้าเป็นครวัตญาณโน้มทรรมะหาเลี้ยงชีพมีโทรุระภาละมากเข้าของมี่ภาระในการธรมะหาเลี้ยงชีพจะให้ละเอียดละออนเหมือนกับครูบาอาจารย์พระสงฆ์อยู่ทางในก็คงเป็นไปบ่ได้เพราะนั้นเข้ามีความของใจ ย, ยัง้ง เขาก็ถามครูบาอาจารย์ก็แนะนําสั่งสอนอยู่แล้วอถูกวั่นเลยยังมือ น, เนีเหรอวันพระเลยเออพอออกไม่ออกเออเอาไวายพระอะรักษาศินรักษาสินหารักษาศินแปดเนอเพิ่นก็ต้องบอกรักษาสินหาคืออย่างอาสินหาคืออย่างอาอันดับแรกไวายพระเร็จแล้วก็เข้ากับเพิ่นกับผ้าน้าพร ะ, พระวานนะโมนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุท ธ, ธัสสะ ความหมายคือนาโมนะครับข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนามโมแปลว่าถึงสี่นะนโะโมตัสสะภควาโตอะราโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นะ คือหนอบน่อมพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าเป็นตน้นศาสนาเป็นต้นพระพุทธศาสนาเป็นต้นความคิดที่สอนให้พวกเฮาหุจักดีหุจักชั่วหุจักบาปหุจักบุญหุจักขุนหุจักโทษหุจักนรกสวรรค์หุจักสิ่งควรทําบอกขุนถ้ำนี่แหละคือพระพุทธเจ้าสอนพระธรรมคําสั่งสอนออกมากเพราะนั่นเท่าจริงในหนอบน่อมพระพุทธเจ้ากล่าวยืนหยันถึงสามเถื่อสามครั้งจากนั้นกขาพุทธทั้งเจรณั่งคดฉาม่ยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นจรณาเป็นที่พึ่ง ดูตียมปิาติยมปิจิจพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์ถึงสามครั้งมาเป็นสารณะเป็นที่พึงเป็นอย่างเท่าอย่างยิจพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์เป็นสารณะที่พึงพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองแอนได้จัดสรุธรรมรู้แจ้งเห็นจริงไปค้นคว้าศึกษาอยู่ในปา่าหลงพงไผ่ทำสมาธิจุนจิตใจของพระองค์ลดพ้นจากอาสวะกิเลสเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพุทธญาณเป็นพระพุทธเจ้า จากดันแต่แนะนําแต่แนําำถ้ำคาสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสรุนั่นแหละมาประกาศมาเผยแผ่มาขยายผลให้พวกเข้าด้ฟังในศึกษาอย่างพระธรรม8ปดหมสพันพระธรรมขันทิศศีลหาศีลแปดศีลสองร2อยยี่สิบท่านศีลภาวันนาทิศพระพุทธเจ้าเป็นผู้แนะนําสั่งสอนจากนั้นเพืพระพุทธเจ้าก็ประกาศออกมาแล้วก็พระสงฆ์มาพระสงฆ์คือสาวกแนะนำถ้ำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาประกาศมาเผยแผ่ มาบอกกล่าวให้พวกเขายัางลงพอดเด่นน้ำถ้ำคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกให้ญาติง่มฟังอีกที่หนึง่งเออท่านน่ยเป็นหนึ่งสี่เน่าสี่ีเป็นหนึ่งสี่เน่าภาวนาเป็นหนึ่งสี่เน่าบาปบุญคุณโทษเป็นหนึงสี่เน้าประโยชน์ได้ไม่ใช่ประโยชน์เป็นหนึ่งสี่เน้าเ อ, อีผู้ที่จะไปสวรรค์ได้ต้องปฏิบัติปฏิบัติตนอย่างนี่ผู้ใดจิตไปนรกออต้องทำตนแบบนี้ต้องไปนรกนะเน้าอันนี้แหละคือคู่บาอาจารย์พระสงฆ์ เพราะนั่นท้าว่าผมมีพระสงค์นัางพระถ้ำค่ำสังสอนของพระพุทธเจา้าม้าประกาศชี่แจงให้พวกเข้ารับผู้รับทราบพวกเข้าจึงหูใดจังใดไปอย่างหลวงพ่อเนี่ยได้รับค่าแนะนําจากหลวงปู่ลาบังโรงตามหาบัวบังหลวงปู่แหวนหลงปูงป่ต่างๆหลวงพ่อก็เลยรับค่าแนะนําจากพ่อแม่คู่บาอาจารย์ขึ้นกันหลวงพ่อจะเน้นน้ำถ้ำในความเห็นของพ่อแม่คูบาอาจารย์มาประกาศต่ออีกวันหนึไปให้ศรัทธาอยากย้อมพาลูกพระหลานได้ยินได้ฟังอีก นี่แหะท่าบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จึงเป็นจรณะเป็นที่พึ่งของพวกเฮาจากนั้นหลวงพ่อจะเป็นผู้กาวน้าให้ศิ น, น, นบ้านที่ไหวเรื่องศีลระบาดป่าหน้าติป่าตาเว ร, รมณี่สาหรับศีลขลาวะหาคอนชู้เจ้าทั้งหลายอย่าขากันเน้ออย่าขาสัตดเน้อการคิดขากันว่าเป็นผลดีได้ทำให้เดือดร้อนเพราะเหตุใดเพราะผู้นั้นคิดขา้าผู้นั้นผู้นั้นคิดข้าพวกนี้ต่างข้นก็ต่างพกอาพุธพกมิด เออบอไว้เนื้อเชื่อใจกันพวกเข้าคิดดูซิจะมีความสุขไหมถ้าพวกเข้าคิดขากันอยู่ตลอดนี่แหละผู้นึ่งก็คิดข้าพ่อข้าแม่ผู้นึงน่งผู้หนึ่ก็คิดข้าลูกข้าเมียผู้หนึ่อผู้นึ่งก็ไปขา้าผู้หนึงน่งไปนั่งข้าผู้นึ่ต่างคนกับต่างเตรียมอาวุธจุดโทษประกอบตอนรับกันวันโนไปทั้งที่จิตเอาของดีๆตอนรับกันมนนดีดแต่มีดแต่ตปืนมีดแต่ดุกระเบิดเออซิกากันว่าโนไปพวกเข้าวันโลกทั้งโลกจะหาความสุขได้ไหมนี่พระพุทธเจ้าว่า สู่เจ้าต้องมีเมตตาต่อกันเนะอย่าขากันขันสู่เจ้าคิดจะขากันหาความสงบทรมเย็นเป็นสกุกปอได้ในชุ่มชนของสู่เจ้านะอันนี้คือศีนคอที่หนึ่งให้มีกฎให้มีเกณฑ์ให้มีกฎระเบียบในการอยู่ด้วยกันคอที่สองอันที่น่าท่านคื อ, อยาขโมวยผู้อื่นเขานะคันว่าห้าขโม่วยของเขานะคำว่าขโม่ยมันมีหลายอย่างขโม่ยหล่องเท่าขมวยด้ายขม่ยเข้มขโมวยเขานำขโมวยซัดซ่าล่าสิงส่างหมากงวกไฟา เมือเผอขโมยแกขืนแกขึ้นขโมยลูกขโมยเมียขโมยพ่อแม่ของเขาไปเรียกคาทยยังสิเอ่อเราเข้าเป็นยังไงบ้าในเมื่อเขามาขโมยของเข้าล่ะเขารู้สึกจังไรในเมื่อเขามขโมยของเขาเข้าวานเท่าใดเปรียบเขาแล้วอแต่เขามาขโมยของเขานะห้อยร้องไห้มัดมือขึ้นกันเพราะนั้นเรื่องขโมยกันเพราะเป็นผลดีเน้อเพราะพุทธเจ้าพันวาอยาขโมยของกันเน้อให้เคารพชิดซึ่งกันและกันเน้อเนี่ยนี่แหละสิทิข้อที่สอง คอที่สามกาเมสุมิตสาจาราวรีร์มานีสามี่ภรรยาลูกหลานของไผ่เขาก็หักสังวนห่วงแหนของเขารักของเขาขาเข้าไปลวงหลามของเขาไปละเมิดชิดของเขาไปทําปู่ยีปู่ย่ำลูกหลานของเขาลูกเมียของเขาสาดมีภรรยาของเขาเขาก็เสียใจเพราะเหตุใดเพราะเขาเป็นที่รักสังวนต่างน้นต่างมีแต่เข้าบอกขรรค์ชิดของเขาเขาก็ถูกใจทำไมาเขามาย่ำยีเข่าละ่ะ เลือข้าทุกหรือข้าสุกใหญ่ข้าวกระทุกใหญ่ขึ้นกันเพราะนั้นให้เข้ารบซิดกันเนอะพระพุทธเจ้าบัญญัติสินคอที่สามข้อที่สีมุสาว่าท่าเว ร, รมานียาขี่หกยาโกหกยาขี่ตัวอย่าหลอกลวงกันเนอะการอยู่ร่ำกันขันว่าพวกสู้เจ้าทั้งหลายกอะหกโกหกขี่ตัวหลอกลวงตอแหลต่อกันอยู่ตลอดไปลำเวลาสู้เจ้าจะหาความสงบสุขบในนะ่ใดเน้อรอ หาความไวเนื้อเสื่อใจกันโบไลเนอะร์เฮ้ยอันนี้คือสินขอที่สี่ขอที่หาสุราเมระยะมัชพบมาสูดเจ้าอยากินเหล้าเนอะร์ยาดื่มสุราเนอะรขั้นสูดเจ้ากินเหลา้าดื่มสุราขั้นชายาฟินเฮโรอินเข้าไปแล้วสมองมันพิษปกติเอ่อเมื่อมันเมาขึ้นมาแล้วนั่นแหละสูดเจ้าจะทําความซัวได้ห ล, ลายๆอย่างทุกอย่างเขว่าได้เพราะคนขาดสติ ขาพ่อขาแม่ก็ได้ขาลูกขาเมียก็ได้ขาสี่ตีสงก็ได้อถ้าความขว่ว้เสียหายได้ทุกอย่างพราเห็ุใดเพราะมันขาดจิตติฮะก็าหูอยู่แล้วกินของเรานั้นมันขาดจิตติไปกินเฮ็ดหยั่งในเมื่อเฮารู่เลวพวกพุทธเจ้าสอนเลยจะไปกินหน้าสิ่งาทํามันขาดจิตติหน้าชู้เจ้าเน้าถ้าว่าซู้เจ้าต้องการความสงบร่อนเย็นเป็นสุขซู้เจ้าต้องงดในการดื่มของมึนเมาเล่านั้นะ นและศีลหาของพระพุทธเจ้าพวกเข้าพิจารณาไขครวรทบทวนดูสิว่าศีลของพระพุทธเจ้ามีคุณค่ามีประโยชน์ใหม่สาหรับพุทธบริษัทที่พระพุทธเจ้าบัญญัติให้พวกเข้าในฟัง่งในศึกษามีประโยชน์อย่างมากหลวงพ่อว่านะเพราะฉนั้นพอให้พวกเร า, าลูกหลานทุกคูทุกคนน่ศรัทธาญาติโยมเมื่อได้ยินในฟัง่งก็นําไปคิดไตรตรองด้วยเหตุและผลพวกเข้าจะเกิดจิตปัญญาใดก็ต้องอาศัยการได้ยินในฟัง่งสุตตะมยปัญญานี ปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังกินตามะยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังและใข้ควรทบทวนไตร่ตรองเหตุและผลคือว่าจินตามะยะปัญญาเนี่ยว่าชิงที่ได้งิ่มม่านมันแมืนบอกมันถูกต้องบอกถาว่ามันถูกต้องแบบเข้ากับย่อมรับด้วยเหตุด้วยผลด้วยสติปัญญาของเข้าอันน้นว่าจินตามะยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้รับได้ฟังได้จินตนาการไข้ควรทบทวนดูแล้วนะ แล้วก็ภาวนาเมย์ปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทําจิตใจให้สงบสกักก่อนจิตใจเห็นเน่งสกักก่อนจิตใจเป็นสมาธิสกักก่อนจึงกลั่นกรองไตรถ uang ด้วยสติด้วยปัญญาประมามหาสติมหาปัญญาเนี่ยกลั่นกรองไตรตองเหตุและผลเอจะรู้แจ้งเห็นจริงเบื่อหน่ายคลายในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องรุดพลจากอาสวะกิเลสทั้งหลายทั้งปวงด้วยภาวนามยปัญญาะ พนันให้พวกเข้าทั้งฝ่ายรู้บ่ายจาันผ า, า, า, า, านุผาลูกผาหลานตลอดถึงถูกฉัดท่าแยาจโจมพี่น้องลูกหลานทุกขู่ทุกคนเนอะสรุปแล้วให้เป็นคนดีนะ เ, เมื่อว่าในหลวงพ่อไปสั่นในเลื่อนจําไปสั่นในคุกเาขาได้มอดไปไปเห็นนะก็โอ้อ่ก่อนที่เขาคุกเขาเปิดประตูถึงเจ็สั่นบปเลยแต่ก่อนหลวงพ่อว่าเขาคุกถึงประตูสองสั่นไปไปเห็นในแทบเจ็สั่นพู้หน่ง เข่าไปแล้วก็เปิดกุญแจเข่าไปแล้วพอเข่าไปแล้วก็ใส่กุญแจกับเข่าเปิดอีกเข่าเปิดอีกเขาเ่กเขากลับหลวงพ่อถามผู้บัญชาเรื่องจับว่าคุกเนี่ยมันไม่อยู่สักสั่นที่เปิดเขายู่เนี่ยเจ็ดชั้นหลวงพอ่อฉันโธขนาดเจ็ดสั่นป น, นันเลยก่อนที่เขาป น, านันประตูเขายากป น, านันกัยั่งเลี่ยงเขี้ยวกันสาบลาพระองค์ไปจะเข่าคุกคนเราไปมาหาประตูวัดเนี่ยประตูเปิดทุกด้านคนเาไป เขาย่ามได้กันได้คนะไปบ่มีผู้ใดอยากเข่าคนไปบัต้าเขากก่าคคกวพันลั่นกุญแจแล้วลั่นกุญแจอีกคนออกไปเออบันั้นก็เข่าไปเบิ่งตั้งสองพันกว่าคนผู้ใดบ่านเข่าไปอยู่ข้างในนะเออซาปลาบอยู่นะ่ะจะมันลูกหลานผู้ใดเด็กกรบปรุนะ่หัวทั้งผู้หยิ่งทั้งผู้ท่านคนไปผู้หยิ่งสองลอยควาคนขี่ขุกผู้ยิ่งคนลงพ่อก็เห็นแล้วโอ้ยลูกหลานเออเต่อไปขั้นลูกหลานออกไปให้เป็นคนดีด้ะลูกหลานเออ ตรงพอใจเสียวหาจใจใดคนเท่าก็มีพิษมีถึงต้องกันสุกปูซุกขนนั่นแหะอันนี้มาเข้าคิดพิดคิดพิษทําพิ ษ, พ, ษพูดพิษเขาก็จับมาขังไว้จังจีหละะ่ะะต่อไปออกไปเลยก่อนชีคิดนี่ยก็คิดให้ดีเดอ้อลูกหลานเดอ้อคิดให้ดีแล้วก็จะไปหาทําในสิ่งที่มันบอถูกต้องแต่จะไปหาพูดในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องคันว่าคิดจะซื่ อ, อท่านบ่าท่านเป็นอย่างได้ ขั้นทำเข้าไปแล้วมันเป็นระบาดเนี่เขาจับเขาคุกได้ขั้นพูดเข้าไปนี่พิษแหละเอราะว่าศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลกายก็คืออย่างคือการกระทําของให้วาจาคือ ค, ค, คาพูดเลยคำพูดของห่อนี่กิเงินใดกี่ตัวเนี่ยเกิเขาจับเขาคุกได้ที่กันเนีอยไอ้ฝอยนั้นหลวงพ่อไหนไปเห็นนะเดี๋ยววัานี้ไปคุกนรกเมืองคนก็นกนไปเห็นแล้วไอ้ฝอยนันให้ลูกหลานทุกผู้ทุกคนน่เป็นคนดีน่าเอาการพูดกัน แนะ่นั่วันนีนก็เห็นว่าชุมกวนกับการเวลาค อ, อยูุติเพียงเท่านี้นะหลูกลานนะ